นอบน้อมแด่พระน้าไตรแล้วกราบถวายความเคารพแด่พระอาจารย์ขงดแล้วก็กราบนอบน้อมแด่พระสงฆ์สำเนาทุกรูปแล้วก็จเจริญสึกเจริญธรรมแยกเด่นนักปฏิบัติและชาวบ้านทุกท่านนั่งฟังตามสบายนะอ่าลําดับต่อจากนี้ไปนี่ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ ศึกษาและปฏิบัติอีกภาคหนึ่งเป็นภาคเย็นสําหรับแต่ละวันนะฮะก็พยายามดิกลี่ยงธรรมะมาหลายวันแล้ววันนี้ไม่ค้นมารับใช้กรรมชอบขึ้นธรรมะมาก่อนมันก็เลยเป็นเรีย น, นเป็นกรรมแต่ก็ได้เทศธรรมะเล็กทุกวันเพื่อจะได้ลล่มอารมณ์นปฏิบัติได้มาทําหน้าที่คือพาปฏิบัติ เพราะว่าหน้าที่ของพระเราก็คือแนะนำแนะแล้วก็นำถ้าแนะแล้วไม่นำก็ไม่ ไ, มได้โดยเฉพาะ <c oughs> วิธีการขอ ง, องหลวงพ่อเทียนจะใช้ครบสูตรคือบอกให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้เป็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสอันนี้วิธีการของหลวงพ่อบอกให้รู้แล้วยังไม่พอต้องทำให้ดูด้วยว่าทำถูกหรือทาผิดก็ทาให้ดู ก็อยู่ให้เห็นทั้งข้างนอกข้างในด้วยวอยู่ส่วนตัวอย่างไรอยู่กับโยมเป็นอย่างไรอยู่ให้เห็นทำให้เป็นทำให้โยมเนี่ยได้เป็นธรรมะขึ้นมาได้ทำกรรมฐานได้เจริญสติให้เป็นขึ้นมาทาให้เป็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสหมายความว่าอยู่ด้วยกันแบบไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นในการเจริญสติแบบนี้อจะมาให้ความสาคัญเป็นอย่างสูงถ้าไปที่ไหนแล้วไม่ได้เนะไม่ได้นา เราก็ไม่ได้บอกก็ก็ไม่อยากไปเพราะามันเสียเวลาดังได้กล่าวหลายครั้งว่าญาติโยมกวจะแวกเวลามาได้ที่นี่เจ็ดวันเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญเพราะฉะนั้นมาแล้วนี่จะทำยังไงไม่ให้เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียความตั้งใจเนี่ยมาเห็นความสําคัญตรงนี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่สังคมและเศรษฐกิจกําลังปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยเรา ต่างก็มาหาที่พึ่งทางจิตว่ามันทางโลกนี่มันพึ่งแล้วมันขึ้นขึ้นลงลงฟูฟูแฟบแฟบมาเหมือนกับเรือที่มันเรือน้อยลอยกลางทะเลมันไม่มันเรือที่ลอยในหนองเพราะมันไม่แน่ไม่รู้ว่าขึ้นจะมาเมื่อไหร่เมื่อมาแล้วก็เรือแล้วก็จะคว่อมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็มุ่นกันตอนนี้ขึ้นเรือน้อยเราลอยกลางทะเลก็ต้องเข้ามาหาฝั่งคือพระศาสนา พระศาสนาได้เป็นที่พึ่งทีนี้เรามาหาพระศาสนาโดยเฉพาะในาศาสนาบ้านเราเนี่ยมันก็มีหลายแง่หลายมุมไม่รู้ว่าเราจะเอามุมไหนมันถึงจะถูกการที่เรามาห า, าศาสนาหาที่พึ่งนี้ก็คือมารักษาเนะพราะลูกคนเนี่ยมีโรคอยู่โรคทางวิญญาณนะโรคทางกายเนี่ไปหาหมอรักษาได้โรคทางจิตก็หาหมอรักษาจิตหาหมอหาจิตแพทย์ได้ แต่โลคทางวิญญาณนั้นเราหาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวหาธรรมะของพุทธเจ้าอย่างเดียวพราะโลกทางกายนั้นเราก็รู้ว่ามันเกิดจากโกครคไข้ไส้เจ็บที่ติดตัวเรามาโลกทางจิตก็อาิบายว่าจิตของเรามันตั้งไม่ถูกมันก็ทําให้เกิดปั่นป่วนรุนเรงไปโรคจิตโรคประสาทนอนไม่หลับแต่โลกวิญญาณนั้นเป็นเหมือนกันทุกคนนอกจากพระอริยเจา้าเป็นน้อยหน่อยจนถึงพระอรหันต์ก็หมดโลกทางวิญญาณ โลกวิญญาณก็คือโลกโรคโรคโกรธโรคหลงโลกอิจฉาพยาบาทโลกความอยากได้โลกห่วงโรคไม่สบายใจเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโลกทางวิญญาณโลกอันนี้ต้องอาศัยยาพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถจึงจะรักษาหายได้ไม่ว่าไม่มีใครเลยพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ไม่ได้สดับไม่ได้ปฏิบัติธรรมให้เข้าใจบรรลุถึงธรรมของสถาคตแล้วเนี่ย ไม่มีใครเลยที่จะไม่มีโรคทางวิญญาณโรคทางกายนั้นบางคนสามปีห้าปีเป็นครั้งหนึ่งก็มีบางคนไม่เป็นเลยก็มีโรคทางจิตนั้นบางคนเท่านั้นเป็นบางคนไม่เป็นแต่โรควิญญาณนั้นนอกจากพระอริยเจ้าแล้วไม่มีใครเลยที่ไม่เป็นนั้นน่ะเรามาที่นี่คือมารักษาโรคทางวิญญาณคือโรคความโลคความกวดความหลงความโมโหฉุนเฉียวความอิจฉาพยาบาทความร้อนอกร้อนใจเหล่านี้เป็นโรคทางวิญญาณทีนี้ ยาของพระุทธเจ้าเรียกเป็นพุโรหิตสดธัมโมสถสังฆโอสถเนี่ยมีสามขนานใหญ่ๆแต่ว่าแยกขนานย่อดแล้วแปดหมื่นสพันขนานนะทีนี้เราเลือกขนานไหนม า, ารักษาก็ขึ้นอยู่กับว่าเราวิธีฉัยโรคของตัวเองเป็นไหมว่าเราเป็นคนโรคอะไรเป็นโรคขี้โกรธหรือโรคขี้โลคหรือโรคขี้หลงหรือโรคขี้อิจฉาพยาบาทเราเป็นโรคอันไหนหนักก็ต้องเลือกยาอ น, นั้นนะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้า น, นี่ก็เปรียบเหมือนว่าเป็น พยาบาลเป็นหมอทีนี้พระสงฆ์พระเจ้าที่ฝึกปฏิบัติมาโดยตรงเนี่ยก็มีทั้งหม อ, อแท้หมอจริงหมอเท็จหมอเทียมหมอผีหมอพระ ห, หลายหมอแล้วแต่เราจะเข้าหาหมอไหนถ้าไปหาหมอผีแล้วก็ไปเจ อ, อน้ำมนต์เจอได้ยสยสินตามที่เราเห็นมัดข้อมัดแขนจะอยู่เป็นประจำเนี่ยไปเจอ ถ้าเป็นหมอผีก็เสกก็เป่าไปตามอาการแบบหมอผีนะเราไปวัดวาลามต่างๆนะส่วนใหญ่ในสำนักหมอผีนี่มีเยอะนะถ้ไหมายของว่าวัดไหนที่ต่อหน้ำมนลพ่นน้ำหมกัก เ, เสียเคาะบูชาเคาะสะดาะเคาะหรือแม้กระทั่งสืบชาตาบูชาโชคอะไรต่างๆอันนี้เท่าตัวเป็นวัดไหนมีก็ถือว่าวัดนั้นเป็นสำนักหมอผีทางพุทธศาสนาโดยผีบุญนะเพราะฉะนั้นเอง คนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงพุทธโอสถธโมสถสังโฆสถโดยตรงก็ต้องไปอาศัยหมอประเภทนั้นก่อนก็ถือว่าไม่ผิดเพราะว่าถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าไม่เลื่อนในการสแสวงหาในการรักษากจิตของนวิญญาณเขาตัวเองให้สูงขึ้นกว่า น, นั้นก็ถือว่าผิดเพราะว่าหมอผีเนี่ยเป็นหมอที่รักษาเฉพาะหน้าไม่ใช่เป็นผู้รักษาที่สมุนธันของโรคเนี่ยดังนั้นเรามาที่นี่ที่นี่ก็เหมือนโรงพยาบาลเฉพาะกิต เราเข้ามาแล้วดงหมอแล้ดงแพทย์กันมาหมอแพทย์พยาบาลในทีนี้ก็หมายถึงว่าผู้เป็นที่เลี้ยงก็เป็นพยาบาลผู้เป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ผ่าตัดก็มีเป็นผู้ตรวจเช็คฉีดยาก็มีแต่จิตของเราป่วยจิตของเราเป็นแผลวิญญาณของเราป่วยวิญญาณของเราเป็นแผลเพราะฉะนั้นหมอจะพูดอาการอย่างไรมันก็ถูกทั้งนั้นแหล ะ, ละจะตรวจจะดีตรงไหนก็ถูกใจทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นธรรมะที่ท่านขึ้นมากล่าวมาเทศเนี่ยใครพูดก็ถูกท่านั้นแหละ แต่ว่ามันจะถูกมุมไหนของของแผละนะสมมติว่าเป็นฝีเป็นแผลเนี่ยเราไปจับตรงไหนมันก็เจ็บตรงนั้นแหละแต่ว่าการให้ยาที่ฉลาดให้ยากระถูกกับโรคที่ฉลาดเนี่ยนะก็ต้องอาศัยคนไข้ด้วยถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือไม่กินของแสลงแล้วก็ทำตามคำบอกของหมอคนไข้ก็ปลอดภัยทีนี้ในโรคที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากอะไร ถ้าหาว่าโรคทางกายก็เกิดจากแบคทีเรียเกิดจากการติดเชือ้อถ้าโรคทางจิตก็เรียกว่าอาการของระบบประสาทไม่เพดีแต่โรคกระทางวิญญาณเกิดจากอะไรเชื้อโรคของทางวิญญาณก็คือกิเลสเราเรียกว่ากิเลสคือเชื้อโรคทางวิญญาณดังนั้นาตามมากิเลสตัวนี้ก็มีพิษนะมีพิษตักิเลสนี้เหมือนตัวแบคทีเรียเชื้อของมนันที่ติดเข้าไปก็คือตัณหาและอุปาทานอาการของโรคที่แสดงก็เรียกว่ากรรม เพราะฉะนั้นเองเราที่อยู่ที่เนี่ยต่างก็สบายบ้างไม่สบายบ้างหมายถึงจิตใจนะถ้าสบายใจก็เียกว่าโรคมันก็เบาหน่อยถ้าไม่สบายใจโรคมันก็กําเริบนั้นเองเรามาในบริษัทวิธีการของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ใช้ยาขนาด น, นี้ขนาดสตนะิยาขนาด น, นี้เป็นยาหม้อใหญ่เรียกว่าเป็นยาของมโหสถนะมโหสถนะเป็นยาหม้อใหญ่หมายความว่าเรากินยาขนาด น, นี้แล้วมันครอบจักรวาลโรคทุกโลก มันก็จะบรรเทาเบาบ า, างไปเพราะว่าสตินี้ถ้าเจริญให้มากแล้วเนี่ยมันก็จะให้เกิดคุณภาพของยาขึ้นมาคือเกิดศีลขึ้นมาศีลเป็นยารักษาโรคทางวิญญาณอย่างอยาเรียกว่ากำจัดกิเลสอย่างอยาดไหนาะว่าโรคไหนอาการที่มันเรียกว่าไม่รุนแรงนักเนี่ยพอรักษาศีลมันก็หายเนะช่นอาการของจิตของ กิยามนตรยียาไม่เรียบร้อยอย่างนี้ก็ถือเป็นโรคอย่างหนึ่งก็รักษาศีลก็หายพูดจาไม่เรียบร้อยอย่างนี้ก็เป็นโรควิญญาณอย่างหนึ่งก็รักษาศีลก็หายนะทีนี้ยาขนานต่อมาคือสมาธิท่านบอกว่าเป็นยารักษาโรคขนาดกลางหมายความว่าเป็นโรคที่ละเอียดเข้าไปนิดนึงนะหมายถึงคนที่ อชอบวกแวกวันไหวง่ายจิตใจไม่ค่อยมีสมาธิจิตใจไม่ค่อยตั้งมั่นรับอารมณ์ได้ง่ายอ่าตาเห็นหูได้ยิ น, น, นจมูกดมก ล, ลิ่นลิ้นลิ้นรสกายสัมผัสจิตนึกคิดก็รับเชื้อเข้ามาทันทีตรงนี้เขาเรียกว่าขาดสมาธิแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยนะแล้วก็ปัญญาเป็นยากําจัดเชื้อโรคอย่างละเอียดเช่นเชื้อโรคละเอียดเข้าไปเป็นเชื้อ แบคที ria เป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นโรคอะไรที่ลึกๆเป็นโรคหัวใจนี่แหละต้องอแต่เป็นโรคจิตวิญญาณก็คือเชื่อวโมหะถ้าเราเชื่อโมหะ ก, ก็ต้องใช้ปัญญาดังนั้นเรามาเจริญสติอย่างเดียวเนี่ยมันได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาแต่เมื่อได้ทั้งศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับไปรับยากับหมอจะกินถูกไหมถ้ากินไม่ถูกหมอจะให้ยาดีขนาดไหนก็ไม่หาย เช่นหมอบอกว่าเอาไปกิน เ, เช้าก่อนอาหารสองเม็ดกลางวันก่อนอาหารสองเม็ดตอนเย็นก่อนอาหารสองเม็ดเราไปกินเม็ดหนึ่งหรือครึ่งเม็ดอย่างนี้ก็ไม่หายหรือรกินเวน้นวันเว้นวันอย่างนี้ก็ไม่หายหรือหายช้านั้นเหมือนกันการเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้ถูกตามาที่หมอสั่งคือสมายพวามาถูกตามที่พระท่านได้รับประสบการณ์จากการรักษาตัวเอง แต่แพทย์ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้แพทย์ที่เรียนมาจากวิชาการแพทย์แบบทั้งโลกแต่แพทย์ของพระพุทธเจ้านั้นต้องเรียนจากตัวเองต้องศึกษาตัวเองต้องรักษาตัวเองมาก่อนเมื่อศึกษาตัวเองรักษาตัวเองหายแล้วนําประสบการณ์อันนี้มารักษาผู้อื่นต่ออันนี้คือลักษณะแพทย์ของพระพุทธเจ้าแต่ถ้ามีแพทย์ที่ประเภทที่เรียกว่าอ่านฉลากยายจําฉลากยายมาโฆษณาขายมี่ก็เยอะประเภทนี้เยอะเหลือเกินนะเรียกว่าฉลากยาคือพัฒนาิดก อ่านจำแล้วก็เอามาโฆษณาบอกคนก็กินก็ไม่หายเพราะว่าไม่ได้รักษาตัวเองก่อนมันก็เลยไม่รู้สมุฐานของโรคเพราะนั้นสำนักที่จำตำรายามาสอนเนี่ยมีอยู่ทั่วไปทั่วประเทศเยอะแยะไปหมดอันนี้เราก็ต้อ ง, ยงเยเงันซื้อก็มีเยอะเราก็ซื้อยามากิน อ่าซื้อยาที่มันยาเทสยาเทียมไม่ใช่ยาแท้มันก็หายากหรือไม่หายเลยนะันั้นเรามาที่นี่เรามาเจริญสติเหมือนหรือว่าเรามาต้มยาเนี่ยยาหม้อใหญ่เนี่ยกินเข้าไปนะคณะยาคณะนี้ก็ผสมหลายอย่างผสมเรื่องอ ม, มีสติเป็นไปในกายเนี่ยคณะไม้อันหนึ่งละนะสติเป็นไปในความรูศศ้สึกก็เป็นไม้ อ, อันหนึ่งสติเป็นในทางจิต ก, ก็เป็นไม้ อ, อันหนึ่งเป็นยายาที่เป็นไม้ แล้วก็สติเป็นไปในอารมณ์หรือธรรมะที่มันเกิดอันนี้ก็เป็นไม้หนึ่งเป็นยาสมุนไพรเอามารวมกันต้มเคี่ยวเข้าเคี่ยวเข้าใช้ไฟเขาเรียกอาตาปีที่เรามาเคี่ยวกันเนี่ยสามสี่วันบางคนก็เคี่ยวดีบางคนก็เคี่ยวไม่ดีนะขนาดเราเฝ้าเตาอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เคี่ยวด้เมื่อวัวิ่งออกไปทั้งนอกเลื่อยไปเหมือนกันนะพวกมาก็เฝ้าเตาไอเตาเตาโมยาอยู่นะสามสีท่านช่วยกันดุลไฟดันไฟเข้าไป บางคั้งก็ไฟแรงไปหน่อยนะวันนี้ได้ถาหมดจากหมอยาสามสี่ไลน์นะ <c oughs> ให้ไฟแรงไปหน่อยนะ <c oughs> ต่อไม่เป็นไรนะอันนั้นก็เรียกว่าอาคนไข่อ่อนแอเกินไปนะพอเจอยาแรงหน่อยก็ช็อกนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาไม่เป็นไร <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมารักษาโรคทางวิญญาณก็ต้องใช้ไฟต้มยาเรียกวาอาตาปีอาตาปีแปลว่ามีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปคือการ ยกมือสร้างจังหวะไม่ยากเดินจงกลมไม่ยากแต่มันยากที่จะทําต่อเนื่องนานๆ น, นาทําต่อเนื่องนานๆเนี่ยเพราะจิตของเราเนี่ยมันไม่เคยที่จะทนต่อเนื่องนานๆเรานอยู่บ้านเราจะเปลี่ยนทุกนาทีทุกสองนาทีจากเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ตลอดชั่วชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงมันถึงเป็นทุกตลอดเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้อยู่กับความที่มันเที่ยงเรามาที่นี่เรามาทําให้มันเที่ยงดูหมายถึงว่า ถ้าสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นพึ่งไม่ได้อันนี้สู่ทองมันใช่ไหมทีนี้เราก็มาทวนกระแสโดยการมาศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าอะไสิ่งไหนมันเที่ยงสิ่งนั้นมันก็ไม่ทุกข์สิ่งไหนไม่ทุกข์สิ่งนั้นพึ่งได้อะไรน่ะมันเที่ยงก็คือทวนกระแสทวนกระแสจิตเนี่ยมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นไหมเพราะว่ามันเป็นกระแสที่ไหลลงเมื่อเรามาเจริญสติเรามาทวนกระแสมันก็เป็นกระแสที่ไหลขึ้นมันกระแสที่ไหลขึ้นก็เหมือนน้ํําาาาในนนนนนนนเเเเขขืื่่่่่่อออออะพรกกััั้้้้แลวม็ียยยยููงน เราก็เลือกใช้น้ําตามต้องการได้แต่น้ําในหุบในเหวในห้วยถ้ามันไหลอย่างนั้นตลอดเวลามันก็ไปรวมกันอยู่ที่ทะเลก็ใช้ไม่ได้ทีนี้เมื่อเรามาถูยุคพุทธธรรมอันนี้แล้วเราไค้นพบว่าสติตัวนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ใช้มาตั้งแต่สองพันกว่าปีแล้วหลวงพ่อเทียนก็ได้มาค้นพบร่องรอยอันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็นํามาใช้มาใช้โดยการมาสร้างอย่างท่านมาทําอย่างท่าน แล้วก็ได้รับผลเหมือนอย่างท่านนั้นอาตมาเองหรือกับผมเองก็ได้ใช้ยาขนาดนี้ด้วยแต่ว่ากลัวจะหายโรคไม่ใช่เวลานานพอสมควรกลัวจะหายโรคก็โรคของเราเยอะแล้วเราเป็นคนไข้ที่อ่อนแอนเป็นโรคร้ายแรงเป็นไข้ที่อ่อนแอคือโรคอะไรโรคอย่างที่เขาเป็นแหละโรคราคะความกำหนัดย้อมใจโรคโทสักความหุดหีดโมโหฉุนเฉียวเมื่อไม่ได้อย่างใจโรคโมหะชอบสนุกสนานเพลิดเพลิน ในเรื่องราวต่างๆอันนี้คือเชื้อโรคที่สามโรคใหญ่ๆนี่แหละนะเชื้อเล็กเชื้อน้อยไม่นับรักษาอยู่ถึงเก้าปีสิบปีแหละพบหลวงพ่อเทียนผู้เป็นหมอใหญ่เนี่ยตั้งแต่พศสองอยี่สิบไปปลายหนึ่งเก้าแหละกว่าจะรู้ว่าวิธีรักษาโรคให้มันหายอย่างไรก็นู่นแหละปีสองเก้าปีสามศูนย์แหละสิบปีก็จึงได้วิธีการรักษาตัวเองตั้งแต่นั้นมาแต่ก่อนหน้านั้นก็รักษาแต่รักษาแบบไม่จริงจังพอรักษาพอทุเราก็ กลับบ้านพอรักษาปทุกเราก็กลับบ้านปรสสาวะกลับบ้านอย่างนี้เรื่อยไปมันเลยยืดเยือ้อให้เราก็มาทุกข์ว่าเอ้เมื่อไหร่มันจะหายสักทีโลกกิเลสของเราเนี่ยะพอสบายแล้วก็ไปกินของสแสลงอีกก็เป็นอีกพอไปรักษาพอสบายขึ้นมาหน่อยก็ไปกินของสแสลงอีกก็เป็นอีกอยู่ลาไปเวียนไปเวียนมาอย่างนี้ตั้งสิบปีรักษาอยู่กับท่านเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ชอบทุกข์สนสนเรื่องคิดเรื่องนึกเรื่องอะไรต่างๆแหละ อันไหนที่มันจะนึกคิดคิดได้คิดถือว่าไม่ได้ซื้อแต่หารู้ไม่ว่าอันนั้นคือที่มาของเชื้อโลกหารู้ไม่ว่าไอ้ความคิดบ่อยๆความคิดเลื่อยเปลือยเฉยแฉนี่แหละมันเป็นที่มาของเชื้อโลกคือกิเลสเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ว่าไอ้ตัวคิดตัวนึกที่เราคิดมาหลายกับหลายกันนี่ยมันเป็นที่มาของเชื้อโลกเราก็ถึงมากําจัดมาอย่างจริงจังนั่นหมายความว่าทําความเพียรอย่างต่อเนื่อง ความเพียนต่อเนื่องก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องฆ่าเชื้อความร้อนด้วยความร้อนด้วยอุณหภูมิที่สูงมากเชื้อโรคบางชนิดถ้าใช้ความร้อนต่ํา เ, เนี่ยเชื้อมันไม่ตายนะเชื้อโรคบางชนิดต้องใช้ร้อนเป็นพันองศามันถึงจะตายมีเลืของเราเมื่อกันถ้าใช้ความเพียนเล็กๆกน้อยมันตายไม่ได้ถ้าใช้ความเพียนอย่างสูงมากนะใช้ความเพียนจนว่าเอาชีวิตเขาแลกกันมันถึงจะตายนะ ความคิดความปรุงแต่งที่เข้ามาในจิตในใจของเรมมาเหมือนกันถ้าใช้ความเพียนเพียงบางเบาๆเนี่ยความเพียรธรรมดาเนี่ยมันตายไม่ได้มันมีแ จ, จ่ฟักเชื้อต่อไปมันหลบเชื้อมันหลบแต่พอเนื้อภูมิอ่อนต่ำลงมาน่ยมันก็กําเริบต่อไปมันก็คิดต่อไปนะอันนี้คือความยืดเยื้อยาวนานของวัตถสงสารที่เคยประสบมาว่ามันทุกข์จริงๆที่เราเข้าไปอยู่ในเชื้อโลกอันนั้นดังนั้นเมื่อได้พบหลวงพ่อเทีนแล้วก็ใช่ว่าจะ หายโรคทันทีเพราะเราเป็นคนไข้ที่ดื่อยาเชื่อโรคที่ดื่อยาเป็นคนไข้ที่ไม่ค่อยเชื่อหมอนะก็ก็ต้องทุกเป็นเวลานานจนในที่สุดทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกมันวันหนึ่งมันก็เกิดปัญญาขึ้นมามันรู้จัดเข็บจักหลักมันรู้จัด ก, กลัวโรคบ้างรถ้าตายไปโดยทั้งที่เป็นโรคเนี่ยเราก็คงจะขาดทุนแน่นอนในที่สุดก็ต้องทุ่มเทความเพียรลงไปตลอดยะหลายหลายเดือนที่ทุ่มเทงลงไปความเพียรเนี่ย เพะนั้นเราจะเห็นว่าการปฏิบัติแบบนี้มันมีเหตุผลมีขั้นมีตอนเพราะฉะนั้นเมื่อทุ่งเทความเพียรปฏิบัติความเพียรไปการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยต้องรู้ขั้นที่หนึ่งเรียกว่ า, า, ร, ร, า, ารู้จักรูปรู้จักนามรู้จักรูปคือรู้จากว่าไอเชื้ อ, อโรคมันเกิดขึ้นตรงไหนหาสมุฐานของมันเพราะฉะนั้นคนที่รู้จากรูปจากนามนีม่หมายความเริ่มเริ่มรู้จากสมุฐานของโลกยังขจัดโรคไม่ได้ อ๋อโรคมันเกิอดอย่างนีเองที่เราปวดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราก็นึกเอาว่ามันคงจะ <c oughs> เป็นตรงที่ไม่ดีเอ็นตรงนี้คงไม่ดีกระดูกตรงนี้คงจะเสือ่อมเนื้อตรงนี้คงจะเสียพอไปส่องไปส่องมาแล้วสํวารวจไปสำรวจมานไม่ใช่นะมันเป็นฝีข้างในนะก็รู้หละมันเป็นฝีก็เราไปจัดยาถูกนะเพราะฉะนั้นการสํารวจตรวจสอบสมุูฐานของโรคสมูทัยของทุกเนี่ยสําคัญมากดังนั้นการรู้จักรูปนามก็คือรู้จักสมูทัยของทุก ว่าทุกข์มันเกิดมาจากอะไรถ้าเราไม่รู้จักรูปนามตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยยากที่จะคลำหาเพราะโลกทางกายเนี่ยหมอก็ยังเรียนกันห้าปีเจ็ดปีถึงจะออกไปสารวจตรวจสอบได้ทั้งๆ ท, ที่สามารถสัมผัส ด, ด้วยประสาททั้งห้าเนี่ยมันก็ยังยากขนาดนั้นแล้วโลกทางวิ ญ, ญญาณที่เราจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทงางสัมผัสที่6กเนี่ยมันยิ่งยากต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาสารวจต้องอาศัยแพทย์ผู้รู้จริงหลวงพ่อเทียนถือว่าเป็นแพทย์ ลองมาจากพระพุทธเจ้าที่เราอาศัยท่านแต่ความจริงก็มีแพทย์อีกหลายท่านแต่ว่าเราอาศัยวิธีการของหลวงพ่อเทียนเราก็เลยอาศัยยาของท่านนี่แหละมารักษานะแต่นั้นเองการเจริญสติแบบนี้จึงเชื่อมั่นได้ว่ามันเป็นตัวยาที่แท้จริงแต่ว่าการเคี่ยวยาการต้มยา น, นั้นจะต้องใช้อุณหภูมิให้สูงดีจริ ง, รงคือความเพียนมียาตาปีนะคือใช้ความเพียนอย่างสูงแล้วต่อมา เมื่อมีความเพียรแล้วก็มีสัมปาชาัโนในความเพียรที่เที้ยวคือไฟนั้น mm. ก็จะต้องมีสัมปชัโนเปลวไฟจะต้องตั้งอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าถูกลมพัดไปซ้ายทีขวาทีพัดไปซ้ายทีขวาทีเปลวไฟที่ตั้งนั้นจะต้องเป็นเตาที่เรียก ว, ว่ามีสิ่งบังกั้นเปลวไฟให้มันตั้งตรงถ้าไม่มีสัมปชัญญะก็เหมือนว่าเราไม่มีเครื่องกำลังต้องกระแสไฟไฟมันก็จะ ไม่แน่นอนเปลี่ยวไฟไม่แน่นอนถูกพัดซ้ายพัดขวาอุณหภูมิก็ไม่สูงพอนะแล้วในขณะเดียวกันก็มีสติมาด้วยสติมาคือผู้เติมเชื้อเติมเชื้อลงไปให้ตลอดเพราะฉะนั้นอาตาบีคือเตาอืสัมปชัโนคือเครื่อ ง, บบงตบังป้องกันไม่ให้ไฟนั้นมันออ่มีอุณหภูมิพัดไปข้างนอกแล้วสติมาคอยเติมเชื้ออยู่เสมอจิตของเราก็เหมือนหม้อยาเนะี่ย ดังนั้นเองในการปฏิบัติแบบเนี้ยเราจําเป็นอย่างยิ่งต้องใช้สูตรแบบนี้นะเพราะว่าเคยใช้กับตัวเองมาแบบเยอะๆใหญ่ๆมาเสียเวลาเป็นสิบสิบปีบอกว่าถ้าตัวเองมีโอกาสที่จะต้องทําอย่างนี้บ้างเนี่ยคงจะไม่ใช้แบบนั้นแล้วประสบการณ์ที่ผิดพลาดเสียหายเนี่ยไม่ดีแล้วเอาประสบการณ์หลังจากที่พิสูจน์ได้แล้วว่ า, าการค้นพบเชื้อโรคเนี่ยอันที่หนึ่งต้องค้นพบรูปนามเสียก่อนสมุทฐานของมันนะรูปคืออะไรนามคืออะไรรูปน้ำไม่ใช่ไปจําเอา จำออกมันก็เดี๋ยวเดียมันก็ได้แต่รูปนามต้องเห็นต้องยานใช้ยานทัศน ะ, ะ ไ, ม ไ, มไม่ใช่ว่าใช้วิจารณแต่ใช้ยานทัศนะแต่รูปนามของวิจารวิจารณ์แล้วมันไม่ใช่สมูธฐานที่แท้จริงของโรคแต่ใช้ยานทัศนะหมายถึงว่าทําไปทําไปแล้วมันรู้จักขึ้นมาเองไม่ต้องไปจำำําคําพูดคําสอนคําบอกของใครมันรู้จักขึ้นมาเองแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักรู้จําจากกูบาอาจารย์มันก็ไม่ใช่เป็นสมูธฐานที่ครบถ้วน หมายความว่าร้อยหนึ่งเราอาจจะพบแค่สิบเอร์เซนยี่สิเปอร์เซนตในสมุทรฐานของโรคอันนั้น <c oughs> พอเจาะไปลึกๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะแต่ถ้าเรารู้เราเห็นด้วยยานทัศนะของเราเองเนี่ยสมุทรไทยมันมีร้อยล้วก็เห็นร้อยหนึง่งเราก็สามารถรักษาได้หมดเพราะฉะนั้นเองในยุคหลังๆเนี่ยการปฏิบัติที่จะเข้าใจได้เห็นรูปนามด้วยตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะมีไม่มากนักแต่ส่วนใหญ่จะอาศัยวิธีการเปรียบเทียบเรียบเทียงจากคําพูดคําสอนของท่านพระอาจารย์อันนี้ก็ ทำให้เรารู้จักสมุทฐานของโลกไม่หมดไม่หมดเพราะฉะนั้นเองการจัดงานแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยยึงไม่อยากให้มีการเทศมากพูดมากเทศมากพูดมากมันทำให้เราเกิดไปใช้สัญญาจำเอาอย่างน้้นอย่างนี้ดังนั้นเองบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเราค้าอาจารย์ของเราจะอ่านสลากมากเกินไปจนคนไข้เนี่ยมักง่ายไปนึกเอาตามสลากยากไม่สัมผัสในด้วยปัญญาของตัวเอง นะอันนี้คือข้ออาจจะเทียบเทียมจากในสมัยนั้นในสมัยครั้งหลวงพ่อเทียนท่านสอนแรกๆเนี่ยท่านให้ทําทําจนไปกระทบเอาเองไปสะดุดเอาเองแล้วก็บอกกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้บอกกันจนกระทั่งว่ามันเห็นเป็นตนเป็นตัวแล้วแล้วไปสะดุดแล้วมันลืมอาจจะไม่ใช่เรียกว่าสมัยนั้นนั้นหลวงพ่อท่านจูงไปดูสถานที่เห็นกันเลยจ่ า, จาเลยแต่สมัยนี้อาจจะง่ายขึ้นไปถ่ายรูปจากสถานที่นั้นมาดูกันเอง ก็จําได้ภาพในรูปนั้นไม่ใช่ของจริงแต่ว่าถ่ายมาจากของจริงเพราะฉะนั้นรูปนามที่เราเปรียบเทียบเรียบเทียง เ, เอาตามคำบอกคําล่าของอาจารย์นั้นเหมือนรูปภาพมันไม่ใช่ของจริงมันก็จะลืมแต่ว่ารูปนามที่ประทบกระทะก็จริงๆนั้นเหมือนเราไปอยู่ในสถาน ก, การณ์นั้นจริงจริงดังนั้นผู้ที่จะปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปต้องจักจุดนี้ให้ดีเพราะจะต้องไ ด, ไ, ดได้รู้จักรูปนามจริงๆไม่ใช่รู้จักรูปนามที่เลื่อนลอยและนึกอา้าว นะเพราะว่ารูปนามใครๆก็รู้นะแต่ว่ามันรู้แบบสัญญาเนี่ยจะรู้จริงๆได้อย่างอันนี้บอกกันไม่ได้บอกกันไม่ได้อามาเลกับผมเองทําจุดนี้อยู่สิบหกวันถึงไปสะดุดเอกนะแล้วสะดุดเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นรูปเป็นนามมันรู้เพราะมันมีตัวบอกมันมีตัวบอกว่าอันเนี้ยเป็นรูปเป็นนามนะเพราะฉะนั้นเอง <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องยาวขนาดนี้ทุกคนไปบางคนอย่างพระจันดาให้บอกสามวันเนี่ยท่านรู้จักแล้วรูปนามชัดเจน อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานทางด้านปฏิบัติพื้นฐานทางด้านจิตของแต่ละคนเนี่ยมีมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเรามองกันไม่เห็นเรารู้กันไม่ได้พื้นฐานที่เราสั่งสมมาเนี่ย <ind> เพราะฉะนั้นคนนี้ปฏิบัติสี่สิบวันรู้จะเอาคนนี้เป็นมาตรฐานไม่ได้คนนี้ปฏิบัติสิบหกวันรู้รูปนามเอาคนนี้เป็นมาตรฐานไม่ได้เ <ME one S 2> <ind> พราะว่าเราแต่ละคนเนี่ย <ind> เราสั่งสมวิบากกรรมมาต่างกันเราสั่งสมกุศลกรรมมาต่างกันเราสั่งสมเอ สัญญาบา ร, รมีมาต่างกันเมื่อสังสกตมาต่างกันแล้วก็เหมือนเราขุดบ่อน้ําบางคนขุดลึกมากถึงจะเจอน้ําบางคนขุดไม่กี่ศอกเจอแล้วนี่ยันใดก็ดีการที่เราปฏิบัติไปเนี่ยเราจะเข้าใจรูปนามได้ชัดเจนเนี่ยใช้เวลามากน้อยไม่เหมือนกันแต่ว่าอาการนั้นเหมือนกันอาการเราเหมือนสะดุดนะเหมือนสะดุดจอแเราพบอะไรขึ้นมาแล้วจําได้ว่าอาการสะดุดนี้ไม่เคยลืมนะเพราะหัไม่เปลี่ยนไม่เคยแตก แทนใดก็ดีเมื่อไปสะดุดรูปน้ําที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจในกายของเราเนี่ยมันเป็นภาพพคตรที่ชัดเจนมากเนะี่ยเราก็จําได้นั่นหมายความว่าเราก็ไปสะดุดเอาว่าแผลเราตรงเนี้ยมันมาจากโรคอันนี้เราก็จะเริ่มรักษาเนะีเพราะนั้นอย่าลืมนะอาการของรูปป้อง น, นอามแมการรูปนามมีรายละเอียดอีกเยอะแยะเราไม่ต้องจจรอะไรไปก็ได้นะว่ารูปโรคนามโรครูปทํานามทารูปทุกน้ําทุกนะอันนี้จังทุกขังเนื้อนาตาเนี่ยอะไรเนี่ยในใ น, ในวงการของรูปนามันจะรู้สิ่งเหล่านี้มันจะรู้ไป คือรู้สูตฐานของมันนะดังนั้นเองเมื่อเราเดินจงกรมเราสร้างจังหวะเนี่ยเราไม่ต้องไปอยากรู้อะไรให้มันไปสะดุดเอาแหละถ้าไปอยากรู้ไปคิดเปรียบเทียบเนี่ยเอามาเสียเวลามาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลายปีก็เพราะใช้วิธีคิดเอานี่แหละไม่ใช่คิดเอาต้องให้มันไปสะดุดเอาหลพ่อเทียนใช้คําว่ามันสะดุดนะมันสะดุดไปกระท่าเรามันสะดุดเนี่ยคือมันไปไปกระทบเอาสิ่งที่ที่ที่เราทำมาอยู่เนี่ยมัน ภาวะที่รู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วในจิตในใจของเราภาวะที่รู้เนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ไปไปโดนสลักระเบิดเข้ามันว่างั้นเถอะไม่ได้ไปถูกสลักเข้ามันเมื่อเราทำไปทำไปไปถูกสลักมั น, ม, นมันก็กระเดืองมันออกมันก็ระเบิดออกมาคือหมายความมันรู้ขึ้นมานั่นเองนะอันนี้คืออุปมาอีกอันห น, นึ่งแล้วเราจะเห็นว่าวิธีการแบบนี้จึงเป็นการทําได้แต่ใครจะรู้มากรู้น้อยนั้นยังรับรองกันไม่ได้ นะเพราะว่าบางคนตั้งใจมากก็จะรู้ชัดรู้ลึกรู้ซึงรู้จริงบางคนตั้งใจน้อยก็รู้ไปตามน้อยนะอันนี้ตามสัดส่วนนะทุกคนรู้ทุกคนได้แต่ตามสัดส่วนว่าใครทํามากใครทําน้อยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องอาศัยหลักสามประการนะหลักสามประการก็หนึมีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดคือมีจิตนะอาศัยพลังจิตมีใจพลังความอดทนเป็นคนที่เรียกว่า สู้อะไรแบบสู้ไม่ถอยอ่ะคนอย่างเนี้ยจะรู้จริงแต่คนสู้เยอะๆใหญ่ๆสู้จริงบ้างไม่จริงบ้างถึงไปเจอก็ไม่ใช่ของจริงมันก็กําเริกนะเพราะนั้นหนึ่งต้องมีจิตที่เรียกว่าทระหดอดทนในการต่อสู้ทุกอย่างไม่อ่อนแอไม่หวนไหวนะอั น, นนี้หนึ่งต้องมีมีกําลังจิตที่เข้มแข็งประการที่สองต้องมีอย่าไม่ใช่ไม่อยากใช้คําว่าสมองนะต้องมีสติปัญญาหมายความว่าจะต้องรู้จัก นะพิริภิคราะสังเกตแล้วทาไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะทำไปโดยที่ไม่สังเกตมันมันต้องสังเกตเพราะขณะที่เราทําเนี่ยแต่ไม่สังเกตในที่ไม่ได้หมายถึงคิดนะสังเกตคือรู้อาการที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้เห็นชัดๆว่าเรายกเนี่ยอาการมันสบายหรือไม่สบายอย่างไรอาการที่จิตมันสบายเป็นอย่างารที่จิตไม่สบายเป็นยังไงอาการกายที่ไม่สบายเป็นอาการกายที่สบายมันเป็นอย่างไรเวลาลุกขึ้นรู้จักสังเกตตัวเองว่าเริงลุกอย่างไร เวลาเดินก็สังเกตตัวเองอีกว่าตัวเองเดินอย่างไรเวลาพูดก็สังเกตตัวเองว่าตัวเองพูดอย่างไรพูดถูกพูดผิดพูดควรไม่ควรสังเกตลักษณะนินสนัยสังเกตเนี่ยมันจะทําให้ไวขึ้นสังเกตไม่ได้นึกในคิดแต่สังเกตหมายถึงว่าสารวจตรวจสอบอาการที่มีอยู่ให้ชัดๆตรงนี้เรียกวินสติปัญญาทางธรรมประการที่สามอาศัยประสบการณ์ไม่ใช่ว่าทําไปทําไปมันจะรู้ไปหมดทุกอย่างประสบการณ์ที่ถูกต้อง อาศัยประสบการณ์ที่ถูกต้องนะหมายถึงว่าในช่วงที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นอะไรเนี่ยสร้างประสบการณ์ไปเรื่อยๆคือทำไปเรื่อยๆการกระทำนั่นแหละเป็นประสบการณ์เอาตัวทําตัวการกระทําเป็นประสบการณ์อย่าเอาตัวคิดตัวนึกตัวศึกษาตัวเราเรียนมาเป็นประสบการณ์นะเอาตัวทำไปเรื่อยๆสังสมประสบการณ์ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเที่ยวเลาะล่อนไปหาประสบการณ์ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่หมายถึงว่า การทําเรื่อยๆนี่แหละทำตำรวจสติลงไปทุกเรื่องทุกเรานี่แหละเรียกว่าสร้างประสบการณ์สร้างสมประสบการณ์อันนี้สามหลักอันนี้ยมีโอกาสที่จะรู้ได้ชัดหนึงมีจิตที่เข้มแข็งไม่ย่อย่อนไม่ผ่อนตัวให้กับกิเลสประการที่สองมีสติปัญญาในการสังเกตการกระทําของตัวเองทุกขณะประการที่สามสร้างสมประสบการณ์จากการกระทํานั้นให้ชัดๆ่าให้ชัดๆแล้วมันจะง่ายขึ้นถ้าใชยหลักสามประการนี้เนี่ย ดันั้นการเจริญสติแบบนี้ถึงว่ามันมีหลักของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรามาทําแบบนี้เราอาศัยหลักทประการประการที่หนึ่งสังเกตที่กายนะที่เรามาเนี่ยมันมันเป็นเป็นอันที่หนึ่งสังเกตที่กายนะ่ะกายนั่งนานๆมันเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกันดูเอ๊ะเรานั่งที่บ้านทําไมมันไม่ทุกข์ขนาด น, นี้ทําไมมานั่งที่มันทุกข์เหลือเกินเนี่ยร้อนแล้วร้อนอีกมันก็ยัง มันก็ยังไม่หายแก้ไงก็ไม่หายแต่ในบ้านรู้นถึงไม่ทุกเลยในการนั่งที่บ้านเพราะเราไม่เห็นทุกอะบางที่ไดกล่าวไปเบื้องต้นว่าเราอยู่ด้วยความลื่นไหลของความเคยชินมันก็บังเอาไว้ในความ